การนมัสการหลวงพ่อพระคุณเจ้าแล้วก็แม่ชีญาติธรรมทุกท่านค่ ะ, ะความเพลินหรือความเผลอเนี่ยมันเกิดจากเวทนาทางกายค่ะเวทนาทางกายก็ที่ชัดๆก็คือความไม่สบายถ้าเราไม่สบายเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยเราปวดเราเมื่อยเราเข่งเราตึงเนี่ยถ้าจิตมันทนไันได้มันก็จะหนีไปคิด นะฮะแล้วทีนี้ความความเผลอเนี่ยถ้าเราสบายมาจากเวทนาที่เป็นความสบายถ้าเราไปนั่งเก้าอี้เราสบายหรือถ้าเราอยู่ในเอเรียบทอะไรหรือที่ท่านบอกว่าได้อารมณนะ์เนี่ยมันสบายพอมันสบายแล้วจิตไม่มันมันไม่ออกค่ะมันจะแช่มันจะแ ช, มะแช่มันจะสงบนะฮะอันนี้อันนี้เท่าที่ทำ ทีนี้วิธีแก้ของตัวเองก็คือก็จะกลับมาตามรู้เวทนาทางกายก็โดยการหลวงพ่อจะสอนให้เปลี่ยนอิริยาบถนะะเปลี่ยนอิริยาบถนะะพอเราเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยมัน ก, มนก็มันก็จะแก้แก้เผื่อแก้เผื่อนะคือก็คือถ้าเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยตัวไอตัวสติที่มันอ่อนไปมันก็จะกลับมามันจะเข้มแข็งขึ้นคือคือมันก็แบบ ต่ว่าไปมันก็เป็นต่อเนื่องกันเนะ่ะเป็นเหตุเป็นผลกันนะฮะเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยกันก็ถ้าเรามาตั้งเริ่มต้นใหม่วิธีแก้คือมั น, นเริ่มต้นตามรู้เวทนาทางกายใหม่ดูหนักดูเบานะฮะดูเข่งดูตึงบา ง, บางท่านอาจจะว่าทาไมคูจีเดินชา้า อ, นนอันนี้ตัวเองจะดูละเอียดถึงการถ่ายถ่ายจากหนักไปหาเบาแล้วเบาไปหาหนักเนี่ยบางทีนะ ก็มาตั้งต้นก็คือมาตั้งใจใหม่ทุกครั้งทุกครั้งเนะในการเดินนะฮะแล้วนั่งเนี่ยถ้านั่งก็อี้ตัวเองก็จะหลับเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถ้ารู้ว่าเออสัญญาณเตือนมันมามันเริ่มตามันเริ่มตึงอะไรเนี้ยบางทีก็ก็เปลี่ยนเลยแต่ของตัวเองนี่บางทีนี่มันจะเหมือนมันจะไม่ง่วงเหมือนมันจะไม่มาเป็นสเตปบางทีมันจะเหมือนฟิวดับมันจะรู้เลยว่าเออมันมาแล้ว มันเหมือนกับแบตเตอรี่มันจะหมดเงี้ยเขาจะวืบแต่ก็จะเห็นนะเห็นเงามันเนะวืบขึ้นมาแล้วก็สะบัดหัวงเงี้ยค่ะแล้วบางทีก็เห็นอ่ะเนี้ยก็จะบัดหัวออกมาเงี้ยแล้วบางทีจะเห็นกระทั่งมันดิ่งลงไปลงรูไปเลยดิ่งลงรูวืบก็สะบัดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะก็จะประมาณนี้จะขาดพอโตโตเถิดมันเกิดเป็นผลแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะมันเป็นหนแต่เหตุเพราะมันไปแช่ในความสบายเจ้าค่ะ มันสบายแล้วไม่เปลี่ยนไม่ปรับเปลี่ยนต้องปรับให้สมดุล น, นะเจ้าค่ะสบายอะไรสบายกายสบายกายค่ะสบายกายทีนี้มันจะมีผลไปสู่จิตเพราะว่าเพราะว่าความไอความความว่วงในเป็นเรื่องของจิตแล้วความไอความเพลินก็เป็นเรื่องของจิตแล้วมันจะมันจะมีผลเพราะเราไม่รู้ทันตรงกายเพราะฉะนั้นวิธีเริ่มแก้ก็คือมาเริ่มที่กายมาดูตามดูที่ท่านบอกคือตามดูเวทนา ต า, ตามดูเวทนาทางกายเจ้าค่ะก็มาเริ่มที่เวทนาทางกายก่อนให้ทันถ้าทันเวทนาทางกายแล้วมันก็ไม่ไม่ไปสู่จิตแต่ว่ามันก็ไม่เที่ยงนะครับบางก็ไปแล้วก็กลับมามันก็มันก็รู้เร็วเจ้าค่ะมันทันครับโอการหลวงพ่อณสงก็ความสบายมันมีอยู่สองอย่างนะครับถ้าเราสบายความสบายก็ให้เกิดความเพลิน มันที่คุจิพูดก็ถูกนะเริ่มเริ่มแรกสำหรับความเพลินสำหรับกายของเราเนี่ยมันมันชอบสบายนะพอพอมันไม่สบายเนี่ยนะมันก็หาที่นะตอนแรกนั่งกับพื้นแดกสองหน่อยนะมันไม่รู้นะตัวเผอเนี่ยตัวเผอก็ตัวเพลินเนี่ยมัน มันจะเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเ ป, creation, เปลีย ANS, enfin ่ยนกันมาเปลี่ยนกันไปสลับสับเปลี่ยนกันไปพอมันทุกขึ้นมาเนี่ยมันเผอไอ้มันมันเผอเผอรุกเผอนั่งเผอไปเผอมาพอตัวเผลนเผลนก็มานั่งใหม่มาหาที่นั่งพอนั่งปุ๊บมันก็มันก็เพลนเผลนเพราะว่ามันมันสบายพอสบายปุ๊บนะจิตจิตของเราเนี่ยพอมันพอกายสบายปุ๊บ จิตมันก็ไปแล้วนะนะจิตมันก็ไปมั น, ม, นมันไม่มันไม่อยู่กับมันไม่อยู่กับการนั่งไม่ไม่อยู่กับกายนะก็เผลอคิดไปนะเผลอคิดเผลอปรุงแต่งไปนะถ้ามันสบายอ่าพอคิดไปคิดมาคิดมาไปคิดมาคิด จ, จะตอนแรกมันเพลินพอเผลอเผลอคิดเผลอคิดก็เผลอ ปรุงแต่งปรุงแต่งพอปรุงแต่งปุ๊บฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมามันจะเป็นเหตุยาวไปเลยนะสรุปแล้วครับหลวงพ่อคือความสบายและความไม่สบายครับอขอก็ก็คาลวะหลวงพ่อเพิ่งเป็นประธานส่งที่นี้แล้วก็ขอโอกาสพระ เถระมาชิมะนาวกะสามเณรแม่ชีแล้วก็เพื่อนสาส์ธรรมิกทุกท่านเมื่อคืนนี้ผมได้กล่าวถึงว่าเรื่องความหลงที่เกิดความเพลินนั้นเออคือผม พิจาาในเรื่องนนี้อาหน้ารานหน้าหาอาหารนะครับใครว่าตามธรรมดาแล้วเนี่ยที่เราสวดหรือพิจารณาอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระก่อนที่จะฉันเนี่ยครับกัไก็ใช่ครับ คือว่าเป็นเรื่อง <c oughs> ครับครับก็คือเหตุที่เราหลงรสนั่ง <c oughs> อาหารนั่นนหะครับก็ก็กทําให้เราเพลินในรถอาหารแล้วเราก็ทานไปเรื่อยแต่ว่าความจริงแล้วมันต่อเนื่องกันใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อเราเพลินไปแล้วเราก็ชอบในรถ อาหารนั้นใช่ไหมฮะแล้วเราก็นั่นแหละครับไอ้ดูเนี้ความพอใจมันก็จะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะสืบเนื่องไปให้เกิดความเพลินแล้วเผลอก็เผลอไปมันมันสับเปลี่ยนกันคือเหตุที่เราเราเพลินไปเนี่ยก็จะทำให้เราเผลอพอเผลอไปแล้วก็ ตอนนี้ก็เป็นต้นเหตุของความคิดต่างๆที่มันก็จะเข้ามาก็นั่นแหละครับมันก็มีความสัมพันธ์กันเห็นว่า ต, ตั้งแต่ความหลงแล้วก็ความพอใจพอใจในรสอาหารหรืออะไรต่างๆหรือว่าขอถวายความเคารพแด่หลวงพ่อพระมหาดีเล็กและพระเรานุเทระทุกรูป จเจ ร, ริญพรย่าโจมผู้อยู่ในศีลในธรรมทุกท่านครับขอเอาตรงๆประเด็นเลยนะครับความเบื่อนี่เกิดมาจากความสบายอีกชนหนึ่งความแช่พอแช่เราปุ๊บเรามีความพอใจที่จะแช่ในอารมณ์นั้นก็เพราะความพอใจเรามีความพอใจ พอมันสบายอ่ะเราพอใจพอใจปึ๊บก็ก็ให้เกิดความเพลินความเผลอจุดเริ่มต้นก็คือความไม่พอใจเพราะเราไม่พอใจในอารมณ์นั้นๆเราก็เผลอไปครับก็ตรงประเด็นครับแค่นี้ครับความไม่พอใจ ความไม่พอใจก็เกิดจากความไม่สบายครับอีกชั um, ้นหนึ่งครับความไม่พอใจเกิดจากความไม่สบายครับไม่สบายทางกายกับไม่สบายทางกายแล้วก็เขาเป็จากการความไม่สบายทางกายได้ก็เพราะเพราะกายนี่มันมันเปลี่ยนแปลงไปไปตลอดครับเราก็ต้องเปลี่ยนไอเลียบทตามตาม สามันนิดจังแต่แตมันมันไม่เที่ยงอ่ะครับเราต้องเปลี่ยนมันตลอดครับแล้วก็เปลี่ยนท่าตลอดเราไม่ได้ไม่ไม่ไม่แช่อยู่ท่าใดท่าหนึ่งครับเดินก็ก็เดินพอประมาณให้มันนั่งก็นั่งให้ให้มันบาลานซ์กันนะครับให้มันเสมอกันให้มันสมดุลกันครับกรณีบางคนเดินนานๆเนี่ยถือว่าเพลินในการเดินเพลอนในการ ถ้าเดินนานๆนี่ถ้าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้อยู่นี่ก็ก็เป็นผลดีครับแต่ถ้าเดินไปนานๆนี่ก็ให้เกิดมันมันมันเผลอมันเพลินได้นะครับเพราะมันมันสบายครับเดินมันเปลี่ยนอเรียบทเรื่อยๆมันมันเบาครับเดินมันไม่ได้เห็นทุกเวทนาชัดกว่าการนั่งครับการเดินมันถือว่าเป็นการเปลี่ยนบทตลอดเวลาครับใช่ครับมันมันเปลี่ยนไอเดียบทตลอดเวลาครับ เพราะมันมันหนักข้างนี้ก็หนักแับเดียวบอาข้างนี้ก็เบาแป๊บเดียวมันได้เดินไปเรื่อยๆมันมันมันถ่วงน้ำหนักไปเรื่อยๆครับมันบาลานซ์กันเรังเินไปากานั่าขึ้นไปละเดินนานกนไปก็ให้ดนเกเนได้ง่ายใช่ไหมครับ <c oughs> นัต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ย น, ยนครับแต่ว่าถ้าหาอ เ, เราเดินนานนั่ง น, นานก็ได้แต่ว่าต้องรู้ให้ชัดค <c oughs> รับค <c oughs> รับผมท่าที่นั่งนาดน ไม่ชัวดูนั้นปัญหาที่ก่อใเกิดการเกิดและกิดได้ง่ายใช่ไมครับอ่าเดีวนี้เริ่มเริ่มเริ่มโฟกัสเข้ามาอย่างลืมว่าเราเราทำวิปัสนาเราจะเริ่มการวิเคราะห์ตัวเองการกระทําของตัวเองนะไม่ใช่เป็นกิบสบายหรืไม่สบายเพราะความสบายไม่สบายทางกายนี่ไปห้ามมันไม่ได้เพราะเป็นธรรมชาติดังนั้นเวลาเราศึกษปัญหาเนี่ยว่า มีสติการ ก, กายในกายทั้งภายในและภายนอกด้วยความรู้สึกตัวพวกวุกองกับสวายความเคโรบแล้วก็คณะส่งนะครับอเราจะเปลี่ยนความสบายกายไม่สบายกายเป็นอุปกรณ์ใช่ไหมครับ <c oughs> ก็ความไม่สบายกายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปบังคับมันชาเขาได้แต่ว่าเราเอามาทำตัว เรามาดูเขาว่าความไม่สบายกาจเนี่ยมีผลกับเราอ ย, ย่างไรมันทําให้เ <uu> <spin> รา <ving. S 1> สึกเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปความความไม่สบายกาจนั้นนะครับพอมันเริ่มพอมันเริ่มเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ตามดูนะครับว่าอมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับแล้วก็มันตั้งอยู่อย่างไรเราก็ตามดูไปเรื่อยๆว่ามันจะหายไปอย่างไรนะครับเพื่อที่จะป้องกันไอความเผลอความเพลินที่เราพูดขึ้นเมื่อกี้นี้นะครับ แต่เราตามดูความรู้สึกเหล่านี้ให้ชัดเจนนะครับทั้งความทั้งความไม่สบายและความสบายก็เหมือนกันนะครับมันเป็นอันเดียวกันนะครับรเราก็ะจะทําให้ใจของเราเนี่ยสติของเราเนี่ยชัดเจนอยู่ตลอดเวลาก็ป้องกันความความเผลอที่มันไม่ชัดเนี่ยเราก็จะไปอยู่กับอย่างอื่นนะครับพอเราเผลอปุ๊บเราก็ไปอยู่ความสบายความไม่สบายนะครับเราก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ชัดเจนกับสิ่งนี้นะครับ ทีนี้พอเราเผยปุ๊บความเพลินเราก็จะมาแล้วทีนี้นะครับเราก็เพลินกับความสบายแล้วกเกิดความง่วงตามขึ้นมาอย่างนี้ครับหลวงพ่ อ, อครับทั้งความไม่สบายทั้งความไม่สบายและความสบายก็เหมือนกันนะครับผมผมให้ความสําคัญว่าเราต้องเฝ้าดูเขาอย่างชัดเจนนะครับพอพอเราเฝ้าดูตรงนี้แล้วเนี่ยโดยอศาศัยกายของเราเป็นฐานเนี่ยไอ้ความเผยความเพลินเนี่ยมันจะเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะแท้เราหลุดใจจากตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ย เราก็จะเข้าไปสู่ความเพล ER, ินความเพลินหรือความเผอทันทีนะครับเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันพยายามดิ้นอยู่ตลอดเวลานะครับดิ้นที่จะออกไปเราพยายามเอาเขามาฝึกเพื่อให้อยู่กับตัวให้อยู่กับตัวแต่พอเขามีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะมองหามองหาโอกาสที่จะออกไปไปเผยคิดบ้างไปเผยอยู่กับสิ่งอื่นบ้างบางทีความง่วงเนี่ยบางทีมันอยู่ที่เราเองนะครับบางทีเรามันยังไม่ง่วงหรอกบางทีเรามองหาและมองหาที่นั่ง รู้ว่ามันจะ ง, ง่วงแล้วก็ไปหาเก้าอี้นั่งแล้วก็ไปไปพิงไปเปลี่ยนท่าให้มันสักพักมันก็จะไหลเข้าสู่อารมณ์เดิมที่มันเคยเป็นแล้วก็จะหลับไปอย่างนี้แต่ก่อนที่มันจะหลับเนี่ยบางทีเราเห็นอยู่ด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าเราไม่แก้ไขเองเราปล่อยไปกับสิ่งเหล่านั้นเองแล้วก็เหมือนว่าเราเรายอมนะครับพูดง่ายๆว่าเราเรายอมกับกเรื่องเหล่านั้นนะครับที่จะเสียใช่ครับยอมที่จะสบายยอมที่จะไม่แก้ไขอะไรเลยฉันฉันทํามาทั้งวันแล้วฉันอยากพักผ่อนอะไรประมาณนี้ครับ ก็ก็เลยนั่งแค่แล้วก็จะหลับไปเลยพี่นี่ครับครับสุครับผมเราะว่านี่นี่คือเป็นเหตุสำคัญเราสุญญ์คนหมายก็เอาทิ้งไม่ได้เลยเพรเรายอมเองเราไมได้มีคือถ้าเราไม่อยากให้เผลอและเพลินเนี่ยเราก็พยายามที่จะอย่าอย่าอยู่ในอิริบาเดิมนานๆหรือว่าเราคอยสังเกตว่าอิริบาบรไหนที่เป็นเหตุให้เกิดความเผลอความเพลินแล้วนาไปสู่ความ่วง อย่างนี้ครับเราก็คอยปรับเปลี่ยนอย่างการเดินเนี่ยอย่าอย่าพยายามเดินท่าเดียวไปนานๆเดินบางคนเนี่ยที่ผมสังเกตอยู่ ใ, ใกล้ก็เดินอย่างเร็วเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเหมือนเดินฆ่าเวลาให้มันให้มันฆ่าวันอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้สังเกตการแต่ละก้าวที่เหยียบแต่ละย่างที่ไปตามดูอาการของขาของเท้าที่สัมผัสไปเรื่อยเดินไปสักห้าทีสิบนาทีก็ถอยหลังบ้างนะครับฉีกขาบ้าง อย่างอย่างท่านั่งเนี่ยไม่ตัง้งเป็นสิบท่านะครับอย่างผมเองท่าเดินเนี่ยผมก็มีสิบกว่าท่านะครับเดินเตะส้นบ้างเตะน่องบ้างปรับเปลี่ยนบีบแข้งบีบขาบ้างคือพยายามอย่าอย่าแช่อ ย, อยู่ในในสิ่งเดิมนานๆนะครับเพราะว่ามันมันเป็นเหตุให้เรามันเพลนแล้วเราก็เบื่อแล้วเราก็าก็จะไม่อยากทําทีนี้อย่างการนั่งเนี่ยเราก็พยายามเปลี่ยนสมมติว่าเราตั้ง มันสบายเกินไปแล้วก็เปลี่ยนหรือแม้ว่าแต่มันมันหนักเกินไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าถ้ามันหนักเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เราไม่สบายแล้วก็เราก็จะไม่อยากทำํำเราก็จะเบื่อเราก็ขี้เกียจล้วก็จะไม่เอาอะไรทีนี้เราก็จะนั่งแช่ไม่เอาแล้วเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ <P ew a> แต่พอเราพยายามปรับปรับเปลี่ยนตัวเองให้ให้มันตื่นตัวตื่นรูต้ตลอดเวลาเหมือนเหมือนกับครั้งแรกที่เราเข้าไปสู่ทางโงกมมด้ือว่าครั้งแรกที่เราไปนั่งเนี่ยเราพยายาม พยายามจำจำมิยาบทตอนแรกๆที่เรายังไม่ง่วงไม่เพลินได้นะครับเราก็พยายามรักษาอารมณ์นั้นไว้ <c oughs> โดยการเปลี่ยนท่าบ้างเปลี่ยนอิรยาบทบ้างมาบางทีถ้ามันทํามันรู้สึกหนักเกินไปแล้วก็มาผ่อนคลายมาบีบนวดมือบ้างหรือว่ารูปหัวรูปหน้าบ้างเพื่อให้มันตื่นตัวตลอดเวลาครับมีวิธีแช่กี่อย่างมีครับมีเป็นมีเยอะครับใช่ครับ แทนที่เราจะเดินนุ่งตลอดแทนจะนั่งสร้างจังหวะแต่พอมันเบื่อมันเพลินมันเบื่อขึ้นมาเราสามารถนวดหน้าครับมันบีบหูก็ได้ครับมันนวดตาก็ได้หรือว่าเอามือลูบหัวนี้ก็ได้มันมันก็สดชื่นขึ้นแล้วครับหรือว่าจิบน้ําก็ได้ครับง่ายนิดเดียวกราบนะ้ำพระการหลวงพ่อแล้วคณะสงฆ์นะคะสวัสวดีญาติธรรมทุก ท, ท่า น, นะคะ่ะ ที่ถามหลวงพ่อนะั้นไม่ได้ว่ามีความสามารถในการทรงฌานนะฮะคือไปฟังเขามาแล้วเป็นคนที่ช่างอยากรู้กไ็ไม่ไม่ไม่เข้าใจไอ้เรื่องทรงฌานเขาบอกว่าพอทรงฌานเขาพูดว่าคนไหนทรงฌานได้สามารถต่ออายุได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามหลวงพ่อว่ามันมันจะมันการทรงฌานเนี่ยมันจะทําให้เรามีกว่ามีสัมปชัญญะไหมอะไรอย่างเงี้ย คืออยากจะทราบอันนี้หลวงพ่ อ, อไม่ให้ไม่ต้องไปรู้เรื่องเขามาเก็เลยไม่ทราบว่ามันจะทรงฌานแล้วเนี่ยมันมีสัมปชัญญะไหมเม่ก ท, ที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าฌานที่หนึ่งท่านบอกว่ามีปิติมีมิตรวิญญาณปิติสุขิขตาสลับกับวิสลับกันมาอยู่ใช่ไหมแต่ในช่วงที่เราเดินเน่ยคิดน่นคิดนี่วามีสม บ, บุว่าไม่สม บ, บุกาแต่เราก็ตามดู่ตามดู พอเราตามไปนานการความรู้สึกสบายไม่สบายไปนานหรือที ix, like thinking, it, right, calm, like like like ่มันเข้าไปเสกมันก็ความรู้สึกวิตกวิจางหรือความคิดแค่คิดน้อยแล้หายไปที่สึกดื่มไปแล้วความสบายมันเปชาที่2คือชานนี้ที่เอื่อต่อวิปัสสนาแต่ชาแบบไม่เอื้อตวิปัสสนาเข้าไปในความสมุกเลยเข้าไปเสกในความสมงบพอเราตามการวิจัยไปนาเข้ามันสมุกพอสมงบก็เข้าไปเสกเสกในความสุก เข้าไปสู่ฌานอนกันชานที่หนึ่สามสี่เหนกันแต่เป็นชานแบบป<ม>รามที่เข า, าเขาพาูดกันนะนะเป็นฌานแบบปรามเพื่อแบบที่ไม่เอืออ้อต่อวิปัสสนาแต่ขณะเดียวกันชานที่เอืออ่อต่อวิปัสสนาเราไม่จําเป็นต้องนั่งเสียความสงบนี่นิงๆแบบไม่รู้อะไรนะแต่เราสามารถทํางานได้เราสามารถทําอะไรก็ได้แต่ว่าจิตขณะ น, นั้นไม่มีวิจดตดุไม่มีวิญาลแล้วก็ไม่พอความเบิ่งความสุขเกิดขึ้นก็ไม่เข้าไปเสกไม่เข้าไปเบิ่งรู้ตัวอยู่ ลักษณะนี้มามีสัมปชัญญะเพราะนั้นตัวฌานในวิปัสสนาเนี่ยจะเป็นตัวสูงสติสัมปชัญญะอยู่เสมอเพราะนั้นประมาฌานที่4แค่ว่ามีสติแล ะ, ะบุเปขาคือมีความรู้สึกตัวตัวสัมปชัญญะ เ, เปลี่ยนเป็นปบุเปขาในฌานที่4ี่นะฌานที่หนึ่งสองสามเนี่ยสติอดี๋ยวสมมุติว่าเรามปสู่ที่วิเวกเนี่ยตัวฌานที่1มีวิเวกเป็นธรรมเองตัวฌานที่สอง มีสมาธิเป็นธรรมเดกโดยฌานที่3 ม, มีสติสัญยาเป็นธรรมเดกแต่พอฌานที่4มีสติและเปรคาเป็นธรรมเดกเพราะนั้นตัวสมัมปชัญญะเปลี่ยนเป็นเปรคาปิชาที่สี่แล้วกเทียนออกมาใช้คือว่ารู้ซื่อๆคําว่ารู้ไน้เป็นสติเขาว่าซื่อๆในเป็นเปรคาซึ่งเปลี่ยนจากสมัมปชัญญะอันนี้มีเชื่อวิชาการเลยนะเพราะนั้นเราจึงจริญสมถะที่ศาสน า, าไปพร้อมๆกันไงคือถ้าหาว่าจิตของเรายังอยู่กับตัว การที่สงกจับความสบายไม่สบายหรือที่ไม่เศษตัวนั้นเป็นสมถาะาแต่พอจิตสงบแล้วไม่เข้าไปเสษในความสุขไม่เข้าไปเสษในตัวฌานตัวสมาธิขั้นสูงแต่เข้าไปรู้เฉยๆมึ่งในขณะนั้นเราจะทำอะไรอย่ก็ได้ลักาณะ น, น, นี้เป็นฌานของมิพพานแต่เราไม่เรียกว่าชา น, นเรียกว่าตัว อย่างปาัญญาหรือนประนยยานญาตก็เกิดมาจากตัวสติสัมัญย่อเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆเปลี่ยนตัวเป็นสมาธิเปลี่ยนตัวเป็นอุเงกขาเปลี่ยนตัวเป็ น, ปนิพพานญาอันนี้หลักวิชานะเพราะฉะนั้นเวลาฟังเข้ามาก็ต้องเข้าจให้ถึเงเลยแต่คุณมารีเวลาเดินไปนา น, า น, น, นตัวเบื่อ ต, ตัวเพลงตงเหลื อ, อน้เป็ีจัดการได้ดี อ, อย่างสหรับเรปตคือไม่มีความง่วงนะฮะ เพราะจะเห็นก่อนว่ามันจะมีเงาดำๆมาหน่อยหนึ่งเราก็เปลี่ยนเลยคือไม่ให้มันง่วงเลยอย่างที่ลจะยืนยันของหลวงพ่อคำหนึงว่าที่ว่าความสบายเนี่ยความสุขเนี่ยนะคะทำให้เกิดความเพลินแล้วก็ทําให้ง่วงนอนเปรียบเทียบกับชีวิตประจําวันนะคะอย่างว่าถ้าเรานั่งนั่งทำมันก็มันก็จะสบายน้อยกว่านั่งพิงนั่งพิงมันก็สบายมากกว่า พราะความสบายมากเราก็ไปเสพล้วก็ทําให้เราง่วงมันตุกก่ยแต่รอยถึร้อยท่านพิงได้ใช่ไหมก็ต้องพยายามนั่งหลังตรงอะฮะห้ามห้ามพิงมันก็พิงได้ไประเดี๋ยวเดียวทำรู้สึกว่ามันสบายเกินเราก็ต้องตั้งตรงมาดูแล้วนั ก, ก้าสิบสีนะ่แล้วนั่งแค่นั้นเลยนะแล้วการการที่ว่านั่งแล้วต้องหลับเนี่ยฮะเพราะว่าเราเดินมาเนี่ยเราเมื่อยพอนั่งปั๊บเนี่ยพอนั่งลงไปเนี่ยมันแข็งไปหมดเลย ขาแข็งอะไรเงี้ยมันก็อยากจะพักผ่อนมันก็พักผ่อนของเราคือการต้องต้องการอยากจะนอนเพราะฉะนั้นวิธีการนี่เวลาจะนั่งนั่งลงไปต้องพยายามยืดเส้นยืดสายสัหน่อยหนึ่งแล้วตอนนี้จะนั่งได้อีกนานคือเหมือนกับที่โยกขาหลวงพ่อสอนนะฮะยืดขายืดอะไรเพื่อให้เส้นมันหย่อนหน่อยแล้วเราก็จะนั่งได้ก็จะไม่หลั บ, ก, ลบกราบนมัสการหลวงพ่อคณะสงฆ์แล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านค่ะ คำถามของหลวงพ่อเมื่อกี้ว่ า, อาพอเราเข้าไปเสพในพิานในความเพลินและความเผลอเนี่ยนนพ่อถามว่าในกรณีทีน่นปฏิบัติไปนานๆใช่ะเหอและเอแลเกินเนเราไม่สามารถหยุดเลีกยนได้ใช่ไหมใช่ค่ะวิธีแก้อย่างเรื่อยๆให้ชัดได้ตลเวลาเนี่ยเรามีวิธีทำอย่างไรบ้างวิธีที่จะทำให้ความรู้สึกตัวของเราชัดเจนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะ ไม่ใช่คิดค่ะกำลังกาลังกาลังทบทวนว่าที่ตัวเองเคยผ่านมาที่เคยเคยทำมาเคยปฏิบัติมาแล้วก็นั่งได้นานๆนะคะโดยที่ความเผลอและความเพลินนี่น้อยหรือไม่มีเนี่ยมันก็มีอยู่ใ น, นช่วงที่อยู่ที่เชียนคำนะคะตอนช่วงปฏิบัติหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มตอนนั้นเข้าเก็บอารมณ์นะคะ ในช่วงนั้นก็คือการการปฏิบัติเนี่ยเราเราเมีความมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะแต่ว่าเมื่อเราเปฏิบัติไปนานๆเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะอาจจะมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็จะน้อยลงน้อยลงทั้นนี้การเป็นอริยาบทเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญ มากมากเลยเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีความตั้งใจว่าจะนั่งปฏิบัตินะคะยังไ ม, ไม่ไม่เดินจงกรมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะมีการเปลี่ยนกริยาบทอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างเช่นเอ่อสิบสองท่าที่เรามีเนี่ยเราก็อาจจะเปลี่ยนสักท่าละห้านาทีหรือสิบนาทีค่ะค่ะที่ที่หลวงพ่อสอนไว้สิบสองท่านะคะในการนั่งนะคะตั้งแต่พับเพียบซ้ายพับเทียบขวานะคะ แล้วก็นั่งทับส้นยืนเขา่านั่งนั่งทับเออเข่านะคะแล้วก็มาขัดสมาดขัดสมาดก็สามท่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำเออการเปลี่ยนแปลงท่าในการนั่งเนี่ยนะคะเออสม่ําเสมอเนี่ยจะทําให้เราสามารถนั่งปฏิบัติได้นานแล้วความรู้สึกตัวก็จะชัดนะคะอันนี้คือประสบการณ์ที่ที่เคยทํามาค่ะ ที่รเราบอกไปันสองบยากาศคือยกาที่มีสากในห้องอกีรย <c oughs> า, ากา <c oughs> <c oughs> ที่วนในปา่ทาที่เป็นมชาติการตามรู้ทั้งสงย่างเนาี่ยมีความตา่างไหมแตกต่างกันค่ะถ้าเราปฏิบัติอยู่ในห้องนะคะ เ, เราจะเหมือนกับมันจะทำให้เรามองไม่เห็นข้างนอกใช่ไหมะเะรางนั้นเนี่ยความ รู้สึกตัวหรืออะต่าง ม, มันไม่ส่งออกไปตาเราไม่กระทบข้างนอกไม่เห็นสิ่งแวดล้อมข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของเราก็จะอยู่กับอยู่กับตัวเราได้ง่ายกว่านะคะส่วนการที่เราปฏิบัติอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติคือกระทบทุกทางหกทางอายตนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจ ะ, ะเผลอ หรือเพลินไปกับสิ่งแวดล้อมข้างนอกเนี่ยมันจะง่ายกว่าค่ะหลวงพอ่อความรู้สึกนี้ได้คดเข้าปฏิบัติกาป่า อ, อ, อ, อ๋อถ้าถ้าป่าเขานะคะถ้าป่าเขาเนี่มันจะเป็นบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติสำหรับตัวเองเนี่ยจะได้อารมณ์ที่ง่ายที่เร็วกว่าถ้าถ้าเข้าปฏิบัติในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติค่ะก็คือความรู้สึกที่ที่ที่ ตัวเราเองก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติอยู่แล้วนะคะอันนี้จะจะเป็นความรู้สึกในการปฏิบัติที่ที่ที่ดีกว่าในความรู้สึกของตัวเองนะคะแทนที่จะปฏิบัติในห้องหรือที่จำกัดมันน่าจะแย่ลงดีกว่าแต่พอเราออกไปที่กว้างๆเราไม่สามารถโฟกัสตาขอเราได้ใช่ไหมใช่ค่ะทำไมถบอกว่าได้อารมดีกว่าเพราะอะไรเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าธรรมชาติเวลาไปปฏิบัติ อยู่กับธรรมชาติกับกับอยู่แบบในศาลาหรืออย่างเงี้ยที่เปรียบเทียบมันมีความรู้สึกที่ว่าอยู่กับธรรมชาติความรู้สึกเี่รู้สึกได้ดีมันมีสองประเด็นค่ะหลวงพ่อเมื่อกี้หลวงพ่อบอกอยู่ในห้องกับอยู่ข้างนอกกับอยู่ในที่ในในที่ปฏิบัติกับอยู่กับธรรมชาติอย่างเช่นเราไปเก็บอารมณ์ในป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบ่งเป็นสอ ง, ส, องส่วนคือถ้าเก็บอารมณ์ในห้องอ่ะใช่เพราะตาเรามันเพราะว่าเร า, เราการกระทบนี้มันจะน้อยกว่า นะคะผลลัพธ์ที่แท้จริงในห้องกับธรรมชาติเหรอคะคือคุณคิดคุณิดเลยนะธรรมชาติจะดีกว่าค่ะหลวงพ่อนั่นเรอะไรเพรา ะ, ะรัสับรไม่ม ไ, ได้ไ ม, มัธรรมชาติดีกว่ามันสํมรวมมันคือคือ จริงๆแล้วชีวิตเราอยู่กับธรรมชาติ่ะเราคงไม่ไม่สามารถจะใช้ชีวิตอยู่ในห้องตลอดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติคือธรรมะคือธรรมชาติสาหรับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสามารถรู้สึกตัวได้ทุกขณะที่เราอยู่ไม่ว่าเราจะเดินไปไหนแล้วก็แล้วแต่เนี่ยคือการเดินจงกมรมก็คือการที่เราเดินปกติเนี่ยทำยังไงให้เราสามารถเดินปกติเหมือนกับเดินจงกรม คือเดินแล้วรู้สึกตัวนะคะเพราะฉะนั้นการฝึกของตัวเองตอนนี้พยายามจะฝึกในรูปแบบนอกรูปแบบให้มากให้มากขึ้นนะคะไม่ใช่แค่ยกสร้างจังหวะแล้วก็เดินจงกรมในทางจงกรมเท่านั้นนั่นเราะว่าปิดปใหม่ปฏิบัติในรูปแบบและนอกรูปแบบท่านเสาใหญ่มีมีผลดีอะไรอ่หว่าในรูปแบบและนอกรูปแบบเอ่อ ในรูปแบบในรูปแบบก็เป็นการฝึกที่ที่มันมีการสร้างจังหวะนะที่เราสิบสี่จังหวะเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ๆที่ยังไม่คุ้นเคยกับการรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นนี้เป็นการประดิษฐ์นะคะส่วนนอกรูปแบบเนี่ยคือชีวิตเราเนี่ยคงจะไม่มีโอกาสมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกนอกรูปแบบจะช่วยให้สติ ข, ของเราเนี่มันต่อเนื่องอะคะ่ะ ไม่ใช่แค่ปฏิบัติในศาลานะคะไม่ว่าเราจะเดินไปไหนไปรับประทานอาหารหรือไปเข้าห้องน้ำระหว่างที่เราเดินจากศาลาไปห้องน้ำเนี่ยถ้าเรายังรู้สึกตัวในทุกก้าวที่เราเดินไปเนี่ยความต่อเนื่องของสติของเราเนี่ยมันจะดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติก็คือการต้องรู้สึกตัวตลอดเวลาค่ะ นอกรูปแบบมันใร้มากกว่าบบที่จะไ ป, ไปใช้ประโยชน์ใน<ะ>ชีวิตประจำวันของเรานอกรูปแบบจะจะได้ประโยชน์มากกว่าไม่ว่าเราจะอยู่กับการกับงาน เ, เราสามารถที่จะรู้สึกตัวได้ตลอดค่ะ